อย่างได้อย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้ฉันด้วยปลายญ้าคาแตะลักษณะห้ามพัดที่ชื่อว่าบอกห้ามพัฒหารคือวงเล็บหนึ่งภิกษุกำลังฉันวงเล็บสองทายกนาโพชนะมาถวายวงเล็บสถทายกอยู่ในหัตถบานน้อมถวายวงเล็บสี่ภิกษุบอกห้ามของที่ไม่เป็นเด่นที่ชื่อว่าที่ไม่เป็นเด่นคือวงเล็บหนึ่งของที่ยังไม่ได้ทำให้เป็นกัปปิยะ วงเล็บสองของที่ภิกษุยังไม่ได้รับประเคนวงเล็บสามของที่ภิกษุยังไม่ได้ยกขึ้นส่งให้วงเล็บสี่ของที่อยู่นอกหัตถบาตวงเล็บห้าของที่ภิกษุยังไม่ได้ลงมือฉันวงเล็บหของที่ภิกษุลงมือฉันแล้วบอกห้ามลุกจากอาสนะแล้ววงเล็บเจดของที่ภิกษุยังไม่ได้กล่าวว่าทั้งหมดนั่นพอแล้ววงเล็บ8ของไม่เป็นเดนภิกษุเป็นไข้นี้ชื่อว่า ที่ไม่เป็นเดนของเขียวที่ชื่อว่าของเเคี้ยวคือยกเว้นโภชนะหยามากาลิกสัตตาหกาลิกและยาวชีวิกนอกนั้นชื่อว่าของเขียวของฉันที่ชื่อว่าของฉันได้แก่โภชนะหคือข้าวสุก ข, ขนมสดข้าวตูปลาเนื้อคําว่านํามาปรารณาคือนํามาปรารณาว่าท่านโปรดรับตามความต้องการ ที่ชื่อว่ารู้อยู่คือภิกษุรู้เองคนเหล่าอื่นบอกท่านหรือคนนั้นบอกที่ชื่อว่าต้องการจัดจับผิดคือภิกษุเพ่งเลงว่าเราจะท้วงเราจะเตือนเราจะทักท้วงเราจะตักเตือนเราจะทำภิกษุนี้ให้เก้อเขินด้วยวิธีนี้นำไปต้องอาบัตทุกกดภิกษุรับไว้ตามคําของภิกษุนั้นด้วยตั้งใจว่าจะฉันภิกษุผู้นำไป ต้องอบัตทุกกฎพิกษุผู้รับฉันพิสูุผู้นำไปต้องอบัตทุกกฎทุกๆคํากลืนเมื่อพิสูจรับนั้นฉันเสร็จพิสูุผู้นำไปต้องอบัตปาจิตตี